เป็นไงฮนั่งทับคอมันอยู่นานๆมันก็ไม่ปวดดอกอืถ้ามันปวดมันจะชวนเราออกนะพวกมันเอาละเอาละเอาละว่างนันนะใต้ลงตาไม่รับรองนะปวดขาตายว่ากันนะนมันกับชิบเรามันกับชิบเราใช่ไหมว่าไหมอย่างงี้ไหม เดินกลับบ้านไม่ได้เนี่ยใครจะพากลับไปล่ะกิเลสมันว่าเราไม่รู้จากกิเลสต้นของจิตนี่เป็นผู้ลู้ลูอยู่เฉยเฉยนี่นอกจากนั้นก็เป็นกริยาอาการของจิตท่านเรียกว่ากิเลสหมดความคิดหรือต้องท่านเรียกว่าเจตสิก ค, คือกิเลสมด เราไม่รู้จักมีแต่ไปจับเอากิเลสจับเอาความคิดความคิดเนี่ยเป็นกิจที่ปรุงแต่งแล้วเข้าใจไหมกิจแท้ใจเดิมมันว่างผ่องใสอยู่ที่บอกเมื่อกี้นี่นั่นแหละหาตัวผ่องใสเนี่ยตัวนี้แหละคือพระนิพพานไม่เอาอะไรสักอย่างรู้เฉยรู้เฉยสว่างผ่องใสอยู่ตาเห็นรูปถ่าอารมณ์ <c oughs> เห็นรูปสวยๆ <c oughs> เห็นของงามๆอยากได้มันก็ไปประกอบจิตเราจิตเราก็กลายเป็นจิตปลอมเป็นสมุ ท, ทยขึ้นมาทำให้เกิดความโลภทำลักชังการ ม, มัตัหาเพราวะว่าัำหาวิภาวะัณหาขึ้นจิตปลอมจิตแท้ยัยเดิมมันจะมีไม ห, ลหไมหละ่ะัำหาไหมล่ะฮะฮ้เอาทีนี้พูดมาเทศมา บางคนบางท่านอาจจะสงสัยมีสงสัยอะไรไหมอยากจะถามเอา้าเชิญโยงนั่งแล้วก็เบาโรค <c oughs> สว่างใสส่วนใหญ่แล้วจะได้ยินนะครับลมหายใจไม่มีหมได้ยินเนี่ <c oughs> ร่องนะคะที่สงสัยก็คือว่าเหมือนมันดากไปนะคะดกักคือหูก็ไม่ยิในในในด้วยอืมบางทีมันอาจจะลงถึง ล, ลึกกว่า น, นั้นอาจจะไปเข้าไปถึงอ่า<ม>เขาเรียกว่าอะไรละ่ะรูปบ้างไปเลยมีแต่ไ ม, ไ, มไม่มีสัญญาไ ม, ไม่มี นั่นหละมันจะไปถึงอารูป์ชันมันดักไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่รู้เรื่องก็นอนหลับไม่ใช่ไม่ไม่หลับแน่นอนค่ะถ้าหมาถึงว่าไม่ไอ้ที่ว่าไม่ได้ยินนะคะในแต่ส่วนใหญ่แล้วได้ยินบางครั้งมันไม่ได้ยินจิตลงถึงฐานลงถึงฐานใหญ่มันก็เลยไม่ได้ยินอะไรมันเป็นอากาศ มันถึงอากาศไม่มีไม่มีวิญญาณวิญญายัญจายตรนะมันว้างลงไปยึดยมเคยเกิดนะคลแบบนี้ยแต่ว่าไม่เคยไม่เคยนานหรอกมันไม่นานหรอก <c oughs> ได้ได้แล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เห็นมันไม่เที่ยงอย่าไปยึดติดมันเป็นอดีตแล้วบางคนอยากได้คือเก่ไปยึดติดอยู่นี่ยนะไปก็ ทำสมาธิที่หลังไม่เกิดอีกยิ่งละยิ่งรวยยิ่งอยากยิ่งไม่ได้กินถ้าเราไปอยากได้อยู่ไม่ได้ตัณหามีมันอันนั้นก็แล้วไปเข้าใจไหมละ่ะเกิดไม่เกิดก็ช่างหัวมันปล่อยไปที่จิตสงบลงถ้าได้แค่รูปฌานมันก็ได้ยินเสียงอยู่ยินเสียงอยู่ เราก็ต้องเห็นไตรักในฌานในสมาธิออกมาอย่างนี้ก็เที่ยงไหมละ่ะไม่เที่ยงมันดับแล้วทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรเลยเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นแล้วก็ปล่อยวางทิ้งจึงจะเข้าไปถูโลกที่สีได้ ปัญญาจะเข้าสู่โลกุตลปัญญาได้โลกุตลปัญญาก็ปัญญาทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่ยึงจะเข้าไปได้ถ้าไม่เห็นอริยสัจสี่ก็มาติดอยู่ในขันห้าขันหยาบขันละเอียดขันประนิดมาหลงขันห้า อยู่ออกมาก็มาหลงคันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอเองเข้าใจไหมล่ะถ้าเราเห็นคันห่าเป็นอนิจจังทุกครั้งนะจา่าล้วถึงจะใช้ได้พอออกมาอย่างนี้ถ้าปัญญามันไม่กเกิดก็มาคุมบังคับจิตให้มันคิดทีเนี้ยบังคับได้ไหมล่ะ เอาทำไมไม่ได้มันไม่อยากคิดก็บับงคับมันคิดถามมันตัวกูมีไหมละ่ะถามมันตัวเรามีไหมัม้ยนั่นมันก็คิดไปตัวใช่ไหมละ่ะเรามีไหมละ่ะตามออใครนั่งอยู่นี่ออนั่นไปแล้ ว, วก่อนท่ยเฉย เออนั่นแหละมันก็คิดนี่แหละอยากให้มันคิดนะถ้าอยู่เฉยๆกิเลสมันไม่คิดบางทีคิดไปแล้ว ร, รู้รู้แล้วละ่ะสัญญาเฉยๆนะว่ารู้ได้ยินท่านเทศครูบาอาจารย์เทศอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นสัญญาเฉยๆเพราะว่าตัวกิเลสไม่ยอมให้เราพิจารณาไม่ให้เราคิดคนคิดปัญญาเกิดจากการคนคิด นั่งอยู่เฉยๆไม่เกิดปัญญาถ้าถามกายได้มาจากไหนจิตถามจิตเข้าใจไหมกายเราได้มาจากไหนนี่มันต้องคิดละทีเนี่ยใช่ไหมนี่วิธีจะให้มันคิดอ่ะนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาพัฒนาจิตให้เกิดปัญญามันโง่มันหลงอยู่ต้องถามมัน กาเราได้มาจากไหนนี่ฉันตอบว่ายังไงเอาได้มาจากไหนเริ่มคิดแล้วใช่ไหมทีนี้เอ้าได้มาจากไหนน้อใชงไหมเออเนี่ยเนี่ยกานี่ได้มาจากไห น, นเออนั่นนะพ่อกับแม่นอนร่วมกันมันก็คิดไปแล้วยังไงจึงมาเรียกว่ากายพ่อมีอะไรมาแม่มีอะไรมา ก็าถามเจ้าของอย่างนี้<ม>เขาใช่ไหมละ่ะแม่ก็มีน้าประจําเดือนจึงจะมีลูกได้จึงจะเราจึงเกิดได้พ่อก็ต้องมีน้ํปรสซุกจีธาตุดินธาตุน้ํามันคิดไปใช่ไหมพอเนื้อออกไหมละ่ะตัวเราจริงจรงมีไหมล่ะทีนี้มีไหมละ่ะโยมมันจงฮะไม่มีเขาก็ไม่มี แมนบมแล้วอยู่ข้างหลังเขาใส่บ้องงูนั่นน่ะพจองพี่จองไม่พูดกับลองดู <laughs> เราไม่มีเราไม่พูดนะใช่ไหมลองดูออยากเห็นดีชาเอาอันนั้นมาให้หน่อยมันไม่พูดเลยไม่เอามาให้อ่ใช่ไหมเห็นดีกันเลย มีโดยสมมุติถ้าถือตามสมมุติตามโลกเขานะเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกมนุษย์เราถือตามสมมติอยู่ห้อยู่ห้กินคือเก่าแต่ถ้าถือตามวิมุตตแล้วไม่มีถือตามปรมตทธรรมถือตามโลกโลกิยะธรรมถือตามโลกมี เข้าใจไหมล่ะทางนั้นฮะมีเจ้าของวะน้อโยหันเนาะฮะถ้าถือตามสมมุติบัญญัติก็มีถ้าถือตามปรมตทิตธรรมไม่มีทำอันละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปมีแต่ธรรมชาติเฉยๆนี่แหละถามมันก็คิดเองหนึ่งสามอืมผม เป็นเราใช่ไหมเนี่ยก็ถามอย่างนี้แหละใครจะตอบละ่ะฮะใครเป็นคนตอบใช่ไหมก็เรานี่ยแหละตอบอ่ะจิตหลงเอาจิตแก้โบราณว่าน้ายอบเอาน้าบง่งจิตหลงเอาจิตแก้เอาจิตแก้จิตจิตสอนจิตเจ้าของเรามีไหม มันก็ตอบมีถ้าเรียกตามสมมุติโลกเขาถ้าตามปรลมัทธธรรมมีไหมอ่ามันต้องรู้สองแง่สองอเวลาไปทำงานจะไปทำยังไงถ้าเราไม่มีถ้าไม่ไปถือตามสมุดิฮะ ใครจะไปใช้ใครอยู่นั่นต่างคนต่างไม่มีใช่ไหมล่ะ เ, ออเข้าใจนะอันนี้นะอันอันนั้นก็คงเข้าใจเราตอบให้แล้วนะบางทีจิตมันจะเลือกลงไปว่างเป็นธรรมชาติเป็นอากาศอากาสายันจายจัชนะมันลงไปถึงบางทีก็ลงไปถึงถึงไม่นานมันก็ออกมา วิญญยาณยจายัจนะความรู้สึกต่างๆไม่มีวิญญาณดับจึงไม่ได้ยินอะไรมันลงไปถึงอารูปชาติองตางให้ไปนั่งรถวิ่งได้ยินรถวิ่งผ่านไปผ่านมาพอไปเข้าสมาธิระดับหนึ่งได้ยินเอาต่อไป ลดวิ่งตามถนนไม่ได้ยินเสียงเอ๊เรานอนหลับหรือมันยังไงก็ดีๆอยู่พออีกหน่อยก็ได้ยินขึ้นมาก็แสดงว่าตอนนั้นจิตมันลงไปถึงฐานลึกมันก็เลยเงียบไปไม่มีวิญญาณไปรับรู้อารมณ์มันดับวิญญาณลงวิญญายัญจายตนะ มันดับลงพูไปรับรู้ไม่มีจึงไม่ได้ยินพอเข้าใจนะแล้วไปหลงรูปชาญรูปชาญามีอะไรอีกนี่แหละตั้งปัญหาถามเจ้าของไม่สงบกาถามได้นะพระโดาบันเอาเอาเชิญเชิญ มันก็ปวดขาขึ้นมาแล้วรู้จักอันนั้นอันนี้ขึ้นมาแล้วตอนจิตสงบมันออกมาอยู่นอกกายมันไม่ไปรับรู้ให้มันเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวมันออกมานอกกายพอจิตถอนมันก็จิตมาถือเอากายมาถือเอาคันห่าอี <c oughs> อารมณ์ความรู้สึกจึงเกิดขึ้นสงสัยอะไรทีนี่ ไปพี่นาทุกครั้ง ไ, ไ, ไปอย่างนี้ได้ไหมครับอ๋อได้เดินปัญญาไปได้เหมือนกันมันก็เป็นทุกขังแล้วมันออกจากสมาธิก็เรียกว่าทุกขังขันห้าสมาธิก็คือรูปฌานรูปฌานก็คือขันห้าออกมาแล้วก็เรียกว่ามันทนอยู่ไม่ได้ เรียกว่ามันทุกขังมันเป็นอนัตตาบอกยาให้มึงออกนะมันก็ออกมาใช่ไ้ยล่ะมันไม่มีตัวตนไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครถึงเวลามันอิม่มมันพอตัวมันก็ออกมาเองแล้วก็เห็นไตลักยานในฌานในสมาธิก็อันเดียวกันนั่นละ่ะเข้าใจไหมละ่ะไม่เห็นปวดขาก็เรียกว่าเห็นทุกข์ พิกขาไปทุกก็รออยู่ข้างหน้าหายแป๊บเดียวใช่ไหมล่ะทุกโคตินาทุกขาปเปเรตาฮะพอเราไม่ยอมพิกขาพุกเนี่ยมันคือแเราแบบที่เลสเราอยากจะ็ลมความรู้แบบเข้าไปสมาธินนหนึ่งรอบมันก็หายออกมามันก็เจออีกเอา่านั่นละ่ะนั่นละ่ะเพราะว่าเข้าสมาธิจิตมันจะวางจากขั้นห้ายังไงเรียกว่าเจตต ว, วิมุตมันออกมา เอา้ามันต้องเห็นต้องเข้าใจด้วยคาว่าทุกขังอันทุกขังสัญญามันก็มีเขาเรียกว่าปริยัติก็ต้องรู้จักด้วยทุกขังปริยัติเมื่อเราไปเห็นในการปฏิบัติเขาเรียกยิงจะถูกนะมันมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าทุกทุกใหญ่เวทนาใหญ่เกิด ถ้าเราไม่ลบ ก, กับเบธนามันก็ปวดขาอยู่นั้นถ้าเราสู้มันเอาจิตให้สงบได้มันก็หายเพราะว่าจิตไม่มายึดถือเอาจิตออกนอกกายของเรามาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เอคาทิพโวนะอุเบคาเอกะตะลมจิตจะไม่มาอยู่ในกายนะมันจะออกมาข้างนอก ช่วงนั้นที่เขาที่ผู้บายจานทำให้ก่อนเข้านิโรธสมาบัติก็เอาจิตออกมานอกอย่างนี้แหละเข้าใจรึจิตไม่ได้ไปใช้กายจิตมาอยู่นอกกายไม่ไปรับความรู้สึกมันเวทนาจึงไม่ปวด มันไม่ปวดตอนเข้าสมาธิออกมาสมาธิมันก็ปวดนะเอา้าเข้าใจแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นแนะ่ะแสดงว่าได้ฌานได้สมาธิก็ดีได้แล้วก็ให้เห็นไตลักยานในฌานในสมาธิเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่ไปติดอยู่ในรูปร า, าคาลูปร า, าคาจึงจะเดินขึ้นไปขั้นสูงได้ เอาอย่างน้อยนั่งอยู่นี่ก็ต้องคิดนะถอดคันห้าออกมาดูเห็นตนเป็นคันห้าเห็นคันห้าเป็นตนต้องสอนเจ้าของตนคือใครอ่ะฮะถามเจ้าของเนี่ยมันก็คิดได้ตนคือใครล่ะแมวฮะตนคือเราติตนคือแมวตี ขันห้าเป็นต้นตนจริงๆมีไหมขันห้าจริงๆมีไหม mm hmm. ก็ถามเจ้าของนี่แหละทำไมไม่มีนั่งอยู่นี่ก็เที่ยงขึ้นมาอีกเข้าใจไหมล่ะอย่าเพิ่งไปยอมมันมันอาจจะตอบอ น, นั่นทำไมนั่งอยู่นี่เขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าขันห้าทำไมว่าไม่มี ก็หาหลักฐานพยานมายืนยันใช่ไหมเนี่ยผู้นี้จึงจะละสักยทิฏฐิได้ดับขันห้าได้ลั่วขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นแล้วความเห็นผิดมิชฌาทิฏฐิก็ดับไป นี่แหละผู้จะไปเข้าพระนิพพานพระโสดาบันองค์เนี้อา้าวมีอะไรอีกกาที่เราถามตอบตัวเอง่องนี้ครับมันก็เป็นเหมือนสมมติปัญญิที่เราได้รับประจากการสอนจากครูบาอาจารย์เวลาเราตอบมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราได้ยินมาได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์สอนอย่งนี้ครับ มันเราจะได้ปัญญาในการที่จะเข้าใจเห็นมันเป็นแบบปรมัติธรรมได้ยังไงครับโอ้เราเนี่ยเราเนี่ยใครเป็นคนตั้งใครตั้งชื่อไว้เราฮะาาาก็โลกเขานเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยมาตั้งสมมุติขึ้นมาเรียกกัน ใช่กันเฉยๆถ้าเจ้าของก็เรียกว่าเราถ้าคนอื่นก็เรียกว่าเขาเพื่อจะใช้ในโลกมนุษย์นี่สมมุตินี่สมมุติมันมีของจริงมันจริงไหมหล่ะทีนี่ก็ถามเจ้าของนี่แหละเนี่ยนี่เราจะเกิดเข้าใจว่าอ๋อเราจริงๆก็ไม่มีเขามาสมมุติขึ้นมาเรียกว่า ใช้กันในโลกมนุษย์นี่เฉยๆว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนว่าคนว่าสัตว์นึกออกไหมล่ะฮะน่นนี่ถามชาเป็นการนานเป็นประโยชน์หลวงตาถามอยู่แปดปีเจ็ดปีถามของเขาก็ถามอยู่นั่นนะ่ะเรื่องขั้นห้านี่ จนไปเห็นขั้นห้ามันเกิดมันดับโดยอัตโนมัติที่คนมาหลงอยู่อ๋อนั่นขึ้นหนึ่งเบื้องต้นก็หลงกายเจ้าของนี่เองว่างันนะจิตดวงหนึ่งว่าบั้นปลายก็หลงใจถ้าไม่หลงใจก็มาหลงกายอยู่เท่านี้ มันมีเท่านี้มันบอกกิจมันบอกมันหลงสองอย่างนี้เท่านี้เขามาเรียกกายกับใจนี่เขามาตั้งชื่อสมมติออกจากนี้หมดใช่ไหมอถ้ารู้ว่ากายก็สักแต่ว่ากายดินน้าลมไฟมาประชุมกันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตวนอรเขามันก็จบใจก็สักแต่ว่าใจออไม่ใช่สัตว์บุคคลตัว ต, วตวนเราเขา ส่วนน้มสีเป็นกิริยาอาการของใจกิ่งก้านสาขาของใจเฉยๆต้นของใจมันมีอยู่อันหมูนั่นเป็นกิริยาอาการเป็นกิ่งก้านสาขาของใจเราไปถือเอาตั้งแต่กิริยาอาการกิ่งก้านสาขาของมันเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดจากใจนี่เองมันดับลงมาก็มาเป็นใจขื้นเขา เหมือนกับต้นไม้เกิดจากดินใช่ไหมเมื่อมันตายลงไปมันจะเป็นอะไรล่ะฮะมันเป็นดินเมล็น้ำมันเกิดจากใจเมื่อดับลงมันจะเป็นเป็นอะไรดับลงมันก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยง <c oughs> มันก็ลงมาเป็นใจขื้เก่าใจมันเป็นธาตุรู้เฉย ไม่ยินดีไม่ยินลายอะไรเข้ามาใจคือเป็นกลางอืมพอเข้าใจเราเราจะต้องได้ชันหรื อ, อเปล่าคจะมาสอนมาเทศมาโอ้ไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้มันจะไม่กลายเป็นการฟุ้งสร้างไม่ใช่พระโสดาบันได้ยินไหมหละ่ะตั้งแต่พระเทวทัตได้ชันสมาบัตแปดยังไปตกอบายภูมอยู่ ไม่สำคัญเพราะท่านไม่เปลี่ยนพระโสดาบันถ้าพระโสดาบันปิดอบายยปมิได้แล้วเทวทัตจะตกไหมฮะไม่ตกอบายยปุ่ได้อภิญญาห้าแสดงอิทธิฤทธิปฏิยังหานได้สมาบัติปดก่อนม่หยดช้าพยาบาทข ร, ราพุทธเจ้าแย่งชิงอยู่เก่า พระโสดาบันเป็นไม่ได้ได้สมาธิไม่ได้เกี่ยวกับพระโสดาบันนะพระโสดาบันเขามีศรัทธามีศีลก็ได้เป็นแล้วถ้าจะเอาดีขึ้นก็ดวงใต้เห็นธรรมใกล้เข้ามาแล้วนี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าเลยนี่ไปก็ไปเห็นขันห้านะ ดับขั้นห้าได้เจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตปัญญาวิมุตตนี่ที่ไม่มันไม่ได้เข้าสมาธิใหญ่ก็ได้ปัญญาที่จะเกิดสมาธิก็ได้แก่สมาธิตื่นๆสมาธิถ้ามห้เกิดปัญญาขันนี้ก็สมาธิอุปจระสมาธิ เราพิจารณาไปเรื่อยๆมันได้สมาธิไปในตัวถ้าไม่งั้นพิจารณาไม่ได้เพราะจิต อ, ออกจากภวังก็เรียกว่าพบจิตทำงานก็เรียกว่าวิธีจิตจิตพิจารณาคันห้าหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันท่าสีดินน้ำลมไฟไปเรื่อยๆมันจะมี จิตทำงานอยู่สิบของปุถุชนมันจะมีอยู่สิบหกสิบเจ็ดขณะจิตจิตก็จะเข้าผวังจิตหยุดนะหยุดทำงานทำต่อไปไม่ได้หมดหมดกำลังแล้วจะเข้าภวางผวังคู่บาทท่านว่าผวังคู่บาทคือจิตจะพักขณะหนึ่ง ภาวงคู่บาดก็เท่ากับขันนิกะสมาธิจิตจะพักนิดหนึ่งเหมือนกับเรานอนเงียบเดียวเนี่ยมันจะมีกําลังขึ้นมาอีกแล้วก็คิดต่อไปอีกนี่แหละสมาธิเกิดบางทีคิดไปคิดมาสมาธิมันจะแนบกับความคิดไปแล้วก็เข้าระวังเขาเรียกว่าสมาธิตธรรมาชาติ นึกออกไหมล่ ะ, ะคิดตลอดไม่ได้มันต้องมีการพักอยู่ถ้าเป็นงั้นพระองค์จะตัดสมาธิธรรมชาติไว้ทําไมมันต้องพักอยู่เราเราไม่เห็นมันพักพักขนาดเดียวเรียกว่าเอพระวังคู่บาทหรือว่าคณิกะสมาธิพระองค์ยังเปรียบสมาธิกับพระบางให้เราเห็นอยู่ ภวังคู่บาตเท่ากับขันิกะสมาธิระวังจระณะคือจิตจอนอยู่ระวังจระณะเท่ากับอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิกับจิตจ่ออยู่ในปากพร้อมจะคิดจะนึกพุงแต่งไปนั่นไปนี่ได้จลระณะกับอุปจาระจึงมีอารมณ์เท่ากันที่เขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาติก็ขันนิกะสมาธิ สมาธิในการพูดสมาธิในการคิดสมาธิในการฟังเขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาติถ้าอางั้นเราไปฟังฟังตลอดไปไม่ได้มันต้องพักอยู่อืพักอยู่แป๊บเดียวเข้าระวังอยู่แป๊บเดียวเหมือนกับเรานอนงีบเดียวตื่นขึ้นไปเอกเอานอนงีบเดียว เติ่นขึ้นไปอีกอย่างนี้มันจะมีกำลังไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าคัานิกะสมาธิหรือพระวังคู่บาดหรือเรียกว่าสมาธิธรรมชาติจะมีอยู่ทุกคนเข้าใจนะไม่ต้องเข้าสมาธิใหญ่ดอกเข้าสมาธิใหญ่มันคิดไม่ได้มันดับคันห้าแล้วสังขารเมื้อคิดปรุงแต่งไม่ได้ จิตจะเป็นธรรมชาติเท่านั้นจิตที่นึกคิดมุงแต่งได้ก็มันเอาอารมณ์สัญญามาประกอบกจิตจิตจึงเป็นสังขารจิตแต่สังขารนึกคิดมุงแต่งได้อ้าวมันก็ฉลาดไปตัวเหมือนกับนักเรียนชั้นปัวหนึ่งตัอสองเนะี่ยใช่ไหมจะมาเทียบได้ที่ปริญญาเป็นครูเป็นอาจารย์ พอมันพัฒนาแล้วมันเหลียววบเห็นจิตตั้งใจใหม่ๆอยูโอ้ยมาโง่เลยเนาะไปเนาะถ้าไม่พามันคิดอย่างนี้ไม่ ไ, มได้นะพากันเข้าใจนะน้ำยอกเอาน้ำบ่งจำได้ไหมอันนี้จิตหลงเอาจิตแจ้จิตถามจิตจิตสอนจิตจิตแจ้จิตอยู่อย่างนี้เอาไปมันจะฉลาดขึ้น เรียกว่าวิปัสนาเรียกว่าพัฒนาพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นให้มันหายโง่หายหลงให้มันฉลาดขึ้นมันจึงยังจะเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าจิตโง่จิตหลงอยู่มันไปไม่ได้เอามีอะไรอีกเอาทายก็ต้องเป็นเรื่องของไตรักษใช่มครัอ๋อเหมือนเดิมต้องไม่เห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อะไรอีกทั้งนั้นนะคือโยมอยากเรียนถามหลวงตาว่าโยมทาที่ผ่านมาเนี่ยถูกไหมคือว่าโยมไม่สะสมข้พุทธลูกมีบ้างนะคะอืได้มาหรือบูชามาโยมก็ถวายต่อหรือว่าให้ต่อแล้วก็อย่างเช่นโยมไปวันเกิดหลวงปูห่หลวงพ่ออริยะโยมไป อยู่เรื่อยๆแต่โยมก็ไม่รอเอาวัตถุมงอว่าที่ท่านแจกนะคะหรือแม่กระทั่งโยมได้พระธาตุมาโยมก็ถวายหรือให้ต่อเนี่ยโยมผิดปกติไหมคะอ้ยไม่ผิดดอกก็ธรรมดาเราไม่เอาไปไว้มันก็รกลงลั ง, ง, งขี้เกียจเก็บขี้เกียจรักษาต้นตานะ ไ, ไหมคะ ต, ต่างระยองะค่ะไม่ยอมเอามันนาณ า, าจิตตั ง, งเขาปล่อยวางนั่นแหละมันถูกแล้วรู้จากปล่อยจากวางไม่ละอย่าไปซือธรรมะได้อย่าไปพูดนั้นเลยมาวางกายเจ้าของนีน่อย่าไปพูดมาเรื่องนั้นมันไกลโพดวางกายได้ไหมเท่านั้นน่ะวางครั้นห้าได้ไหมอันหมู่นั้นมันเรื่องจิ๊บจ้อยดอกนั่นนะอย่าไปยึดไปถือมันเลย เราต้องฝึกลาวางไปเรื่อยๆอันนั้นมันลบลงลังแม้ได้หลวงตาเพิ่งจะมาเอาไว้นี่คนเอาไปก็สงสารเขาก็าไปตั้งไว้กาบไไหว้บูชาครูบาอาจารย์เป็นที่เขาลบเฉยๆถ้าปกติแล้วใจเราไม่มีอะไรเราก็ตั้งให้คนมากกาบมาไหว้ไปนั่นเฉยๆยางเราตั้งอยู่ข้างหลังนี่หลัง แล้วก็ยึดกระถือบ้างถ้าไม่มีมาก็จะได้กาบอะไรคนก็คอ น, นมีบ้างนะธรรมดาถ้าจะทานนี่จริงๆก็ทานกายเจ้าของนลย น, นะทานขั้นห้าเลนะไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีกเออยกขั้นห้าทิ้งทานตอนเข้าสมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิก็มาทานอีก เอาเข้าใจนะไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรดอกถือว่าไม่เที่ยงสักอย่างอยู่ไปอยู่มาเพระพุพทธรูปไม่ขัดไม่ถูกก็ขึ้นสนิมเกิดกาขึ้นมามเพื่อนไม่เห็นก่อเอ๊ะมันมาตั้งไว้ทำไมสนิมเกา อ, อยู่ก็ไม่ดูมันกาบอะไรใช่ไหมล่ ะ, ะนั่นแหละเอาดีแล้วถูกแล้ว ละวางไปเรื่อยๆวางหมดวางขันหยาบขันละเอียดได้นะมีอะไรอีกโอ้เก่งเว้ยมีแต่คนเก่งๆเชียงใหม่นี่เก่งกว่าคนแก่นเยอะอยู่เอาคงไม่มีอะไรเนาะ คงไม่มีอะไรเป็นกันเองถามให้เข้าใจอย่าใช้อารมณ์พูดตอบก็อย่าใช้อารมณ์พูดถามก็อย่าใช้อารมณ์ <c oughs> เราไม่มีดอกใช่ไหมอ่าเอาอะไรอีกเวลาเดินจงกรมขั้นของการเราจะตั้งสติว่าการในการเดินจงกรมเนี่ยค่ะสมาธิติดอย่าจะต้องทําปฏิบัติเวลาเราเดินเนี่ย เปลี่ยนแต่อริยาบทอย่างอื่นเหมือนเก่านะะั่นแหละถ้าเคยเอาพุโทโธสงบก็เอาพุโทโธคือเก่าเปลี่ยนแต่อริยาบท พ, พระพองค์ตัดชัดแจ้งแล้วให้อริยบทเสมอกันเข้าใจไหมให้มีสติอยู่เดินก็มีสตินั่งยืนนอนมีสติรู้ลมหยายใจอยู่หรือรู้กับคำวริกรรมอยู่ เรียกว่าอาริยบทเสมอกันเข้าใจไหมไม่ใช่นอนห้าชั่วโมงอตื่นห้าชั่วโมงนั่งห้าชั่วโมงตายแท้ทแมวเนาะห้าชั่วโมงเสมอกันคือให้มีสติหยุดเข้าใจไหมตีความหมายออกไหมพระพุทธ อ, องค์ตัดนะไม่ใช่ลองตาว่าให้อริยบทเสมอกัน <c oughs> เขาเปิดเ <t> ทพหลวงปู่ชา <t> เราฟังไปท่านก็ว่าเนี่ยท่านคิดว่าอาริยบทเสมอกันท่านนั่งสองชั่วโมงยืนสองห <c oughs> ลวงปู่ชาเน่ะท่านเข้าใจทีแรกท่านทําไม่ได้ก็ว่า ม, ามาัอ๋อคําว่าอาริยสมบทบทเสมอกันก็คือให้มีสติ <c oughs> อยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอน ถ้าเราเอาพุโทโธก็ให้มีสติรู้พุโทโธอยู่ถ้าเราเอาลมหายใจก็ให้มีสติรู้กับลมหายใจอยู่ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้ฝึกสติอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาอะอะไรอีกหมดแล้วหมดก็จะพาไปพัก <c oughs> เอาเอาะไนระเนาะอ๋อพวกนี้เช้าเจอกันอีก ไปเดินปัญญาด้ทำ<ป>สมาธิเดินปัญญาดี